ปวดสมาสอยฟัสักหน่อยนะคุณจะเหนื่อยวเดินทางก็ดีนี่ปชุมหลายวันแล้วนี่ดีนั่งการสบายนั่งการสบายทางไหนสบายนั่ตปนมือการฟังธรรมกหนดจิตกหนดใจทังตัวเสังามนปนมือการฟังธรรมะป่าเหมือนธรรมะผิดศีาเราเรียนมา ท่านมีอะไรกูปูดไปตามหน้าที่โดยส่วนใหญ่ขอด้านการปฏิบัติด้านจิตใจเพราะท่านเคยศึกษาเคยปฏิบัติมาแดืนั้นกหรับกําราที่เคยศึกษาเราเรียนโดยส่วนใหญ่เมื่อส่งสู่การปฏิบัติท่านก็ทอดทิ้งถ้าไปงงกับกำลังกํารา การภาวนะาการทํทาจิตทำใจกวามเก่าวหนนะ้าแต่นั้นท่านวางปล่อยสิ่งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทางกำลงังกำลังแค่ไหนวางด่านสติปัญญาดานจิตด่านใจของตัวเองแค่กาลางมันอยู่นอกทางปฏิบัติมันเข้ามาด่านในคือดูกายดูใจของตัว ครูอาจารย์โดยส่วนใหญ่สอนแบบนั้นการระดับเราฟังคำจากขั้น็อํานองเดียวกันให้สงไประลึกนึกคิดถึงสำหรับต้นล่าว่าท่านจะเทศอะไรให้เราฟังอานิสงอะไรเป็นอย่างไรให้องไปสํานวคํานวณคํานึงถึงกําหนดจิตของตัวอยู่ภายในจะส่งไปสั่งหน้าสั่งหลังต่างจิตอยู่ปัจจุบัน กานเทดอะไรสอนอะไรมันก็รั่วไหลเข้าไปคือใจของเราหูเรามีเปิดหูรับอยู่เมื่อได้ยินเสียงมันก็รู้เข้าไปทึงใจเป็นเรื่องปลอมใจหายใจสงบนี่เป็นการฟังทำคือทั้งฟังทั้งทำภายในของตัวจิตใจที่รั่วไหลนึกคิด คิดข้อเรื่องต่างๆละถอนปล่อยทิ้งเพราะไม่มีนาทีที่จะไปคิดจะไปทำระยะที่เรานั่งอยู่สถานที่นี้ดูอารมณ์เฉพาะหน้าอะไรเกิดขึ้นมาก็พิจารณามันมันก็ตกไปเอง <c oughs> เหนือเราไม่เกี่ยวข้องนี่คือการฟังรรมด่านปฏิบัติ จิตของผู้ฟังด้ือความตั้งใจอย่างนั้นจิตจะงงสงบจิตจะสบายจิตจะว่างจากสัญญาอารมณ์ถ้าเรามัวนึกคิดจิดขล่องกับเรื่องอื่นจิตไม่คอยมาสัมผัสกับอาจทำความสุขความสบายความสงบภายในก็ไม่เกิดขึ้น หมาือว่าเรามาวัดมาวัดดูใจของตัวใจของเรามันชั่วมันเสียมันสูงมันต่ามันสั่นมันยาวขนาดไหนดูวัดภายในธานาวัตศิราวัดภาวนาวัดเรามีหรือไม่เราเพียงพอหรือยังดูภายในอย่างนี้วัดดูภายในของตัวธานาวัด คือการยอมเสียสะละการให้ทานเราเดินทางก็มีการเหนื่อยเหนื่อยเหนือหิวแทนที่จะได้พักผอนหลับนอนะสะดวกสบายเราบอกเสียสะละความสุขทางกายที่เราเคยสุขเคยสบายมาให้ทานไปในส่วนนั้นตั้งใจมั่นที่จะระดับรับฟัง ศึกษาที่เจรน า, าธรรมนีม่เรียวกว่าทานวัตรเราก็ได้กระทำบาเพ็ญอยู่แล้วเพราะเรามานั่งอยู่นี้ไม่ใช่ว่าจะมีความสูกคามสบายเท่าจี่ควรถูกหลับสู่นอนทักผ่อนแต่เฉพาะตัวไม่ได้แต่ทิ้งแต่นั้นเราก็ไม่เห็นความจำเป็นส่วนนั้นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เขาอาจทำเราจึงยอนเสียสละมานั่งภาวนาระดับรับฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการมาฟังการมาทําแบบนี้เรา th ăm, th ăm ng, ยังไม่เคยหรือเคยมาแล้วก็ยังไม่พอในจิตในใจถ้าเราฟังไปบ่อยเราฝึกไปบ่อยเรา ỏi, เสียสละไปบ่อย เราจะมีความสุขความสบายภายในใจของเราอาจทำคําสอนของพระพุทธเจ้าาสอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้จะได้นําไปที่นี้ชีจนาแจกไขใจของตัวที่ของจิตคิดกุ้งนี่คือทานวัดีลวัดการรักษาตายบายจาไรยาศี่เรามานั่งภาวนาหนังสังธรรมกายของเรากลมไปเําชั่ว ไม่ีอะไรที่จะเสียหายผิดจากศีลที่พระพุทธเจ้าทรางบัญญัติเอาไว้กายของเราปกติไม่ได้ไปฆ่าตีรักขโมยอะไรใครนัง่งเงียบเฉยเนิ่งอยู่บาจารของเรา ก, ไ ก, ก, กร็ไม่ได้พูดโกหกพกลมไม่ได้พูดคำหยาบส่อเสียด เรียวหลายๆประโยชน์อะไรแล้วนิ่งเงียบอยู่ <c oughs> ด้ชื่อว่าศีลของเราบริสุทธิ์อยู่ในปัจจุบันไม่ต้องไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเราทำอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ถ้าไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาจิตใจของเราก็วาวเวจิตใจของเราก็สงบระงรับไม่ได้ การฟังทำที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ในสมัยพุทธกาลท่านฟังอย่างพวกเราฟังเริ่เนี่ยรักษาจิตใ่ชิด ต, ตุงไปในอดีตอนาควรวบยกตัวยอย่างองคุริมาลโจนเคยฆ่าคนมานับไม่ถ้วน้าชันคิดแลวลาเราไปทำผิดฆ่าเขาอย่างนั้นซันเขาอย่างนี้ จิตของท่านก็จะต้องวุ่นวายเดือดร้อนจะส ง, งบระงับไม่ได้นี่ท่าไม่ได้คิดภายในแง่นั้นปัจจุบันของท่านเป็นอย่างไรท่า <c> น <oughs> ดูภายในดูปัจจุบันเสียดนั้นทัพพุทไเจ้าจแสดงธรรมท่านจึงได้รับความสุขความสบายละถอนชี้เลี่ยนัญหาจนเป็นพรริยะบุคคลขึ้นในาศาสนา ระยะที่ตังทำทำสอนของผู้ใต้เจ้าทั้งทั้งที่เคยทำชั่วทำเสียมาขนาดนั้นพวกเราท่านไม่เคยหากคนเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันอย่างนั้นจริงหรือศีลของเรามันบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะเสียหายในระยะที่ร้อนั่นอย่าไปเกี่ยวข้องฟุงคิดในอดีตให้ดูปัจจุบัน ถเรารักษาปัจจุบันของเราได้จิตไม่คิดปรุงไปใจมันก็สงบใจมันก็สบายนี่คือการฟังทำการปฏิบัติทถ้างในจิตอย่างนั้นมันจะวุ่นวายเดือดร้อนคิดปรุงไปในแงยต่างๆแทนทีจะะ่จะสงบจะสบายก็ ว, วุ่นวายเรื่อยไปเลยไหนได้อะไรจากการ ฟังทมเมืม่อจิตไม่สงบจิตไม่เห็นผลเห็นอนิสงในตนของตนมันก็นั่งในจิตไม่เกิดสาระประโยชน์ให้เกิดจากความวุ่นวาย <c oughs> ไม่ส บ, บาย ต, าต่างๆขึ้นดังนั้นต้องตรวจตาที่จะริารักษาจิตในปัจจุบันนี่คือศีล ทานแล้วก็เยสละมาศีนแล้วก็ด่ารักษาอย่างบริสุทธ์ปลอดภยัยการภาวานาะคือการทำใจให้สงบรักษาใจของตัวให้สงบใจนั้นโดยส่วนใหญ่ไม่มีวันเวลาที่จะได้พักผ่อนเหมือนกายวุ่นวาย ปรุงคิดในเรื่องต่างๆไม่ว่าอาดีตที่ผ่านมาอนาคตยังไม่ถึงมันปรุงไปอยู่อย่างนั้นเรานั่งมันกกปรุงเรายืนมันตกปรุงเราทํามันกกปรุงเราหยุดมันกกปรุงเรื่องของกายหยุดแต่ใจมันคิดมันปรุงดังนั้นชื่อจะทําจิตของตัว ให้เป็นภาวนาหยุดการฟงจิดติตข้องในกัญญาอารมณ์นั้นคนที่ยังไม่เคยศึกษาเคยไม่เคยภาวนาไม่เคยรักษาตัวองตัวก็ไม่ทราบ ว, วิธีที่จะปฏิบัติให้จิตท้องตัวได้รับความสงบสงบดัดได้ทางศาสนาทางธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านจิตเคยประเพื่อปฏิบัติ รู้อาจเพ่งทำมาก็มีหลายวิธีที่จะทำแล้วแต่อัธยาศัยของแต่ละคนบางท่ังงนง็กกำหนดลมหายใจเพื่อไม่ใจิตมันคิดปุงไปที่อื่นเอาจติตกำหนดอยู่ในลมท้องตนออกก็ให้รู้เข้าก็ให้รู้เรื่องลม กำหนดอยู่นั้นในจิตไปคิดปรุงเรื่องอื่นออกยาวเ่ายาวกว่าสา飒ออกสั้นเขาสยานกว่า飒ลมหยาบกว่า飒ลมบางๆกว่า飒ลมละเอียดกว่า飒หมดลมไปเลยกว่า飒นี่คือการกําหนดจิตเพื่อจะให้เป็นภาวานาให้สงบระงับเรื่องจีเลกัญหา หล่องความปุ่งปุงของใจก็ทุกคนมีลมเหมือนยังไม่ตายเชื่อมันม่นไหมว่าใครทั้งหมดจะเป็นนักบวชหรือฆราวามีลมทางนั้นถ้าพุทธเจ้ากำหนดลมของท่านก่อนจะตัดรู้จิตใจของท่านจะสงบจึงควรทำได้าหากลมเรากำหนด แต่เตียงลมจิตในสงบสงัดให้เราจะเอาคำบริกรรมยัดเข้าใส่อีกก็ได้กําหนดพุทธเข้าโพออกอยู่นะโดยในเกี่ยวข้องกับสัญญารมอันอื่นมันกสงบได้ถ้าหากเรามีมิสัยในทางลมในอย่างนั้นเราจะบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือตายตา ย, ตายก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ท่านเคยสึกเคยปฏิบัติได้รับความสุขความสงบสงัดความราถอนีิเลศมันผิดกันมันไม่เหมือนกันอารมณ์ที่นำมาน่สอนใจของตัวแล้วแต่อัธยาใสัยใครชอบอะไรเป็นอันถูกต้องดีงานทางนั้นเพราะผลมันเหมือนกัน ในจิตแตกแต่ต่างกันจะเป็นอารมณ์สัญญาทำบุญกรรมหรือพิจารณาาจหากว่าเราสบายเราลงรวมเราได้ความสุขจากการกระทํานั้นมันถูกต้องธรรมะค า, ส, าสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันกับอาหารอาหารนั้นเป็นประโยชน์แก่กายของเราคนที่ในทานอาหารนานเข้า กายจะหมดเรี่ยวแลกายจะเหนียวแห่งกายจะแตกตายอาหารจึงจำเป็นสำหรับกายไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนจะต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายไม่อย่างนั้นกายก็ทนไม่ได้เรื่องของธรรมะที่หล่อเลี้ยงจิตใจก็ทำนองเดียวกันมันมีมากเหมือนกันกับอาหารของกาย อาหารฟงกายจะเป็นทับเป็นถอดเป็นต่มเป็นแจ้งอะไรทุกอย่างถ้าเราทานเข้าไปกายของเราก็ได้รับความสุขความสบายหยินน้ำํำรานได้แต่ว่าอาหารอันนั้นมันยากอาหารอันนี้มันละเอียดอาหารอันนั้นมันมีคุณค่ามากอันนี้มันมีคุณค่าน้อยบอกไม่ได้ อาหารอะไรที่ยังกายของเราให้อิ่มน้ำชำรามีกำลังที่จะต่อต้านทำการทำงานต่างๆได้ในควรดูหมินม่นนินทาว่าอาหารประเภทนั้นมันชั่วมันเสียมันเป็นอาหารเหมือนกันมีการที่เจนาการภาวนาภายในจะ ก, กำหนดลมหายใจหรือกำหนดบทบุริกรรมอะไร ผาใจของเราสงบลงรวมได้ใจของเราละถอนปล่อยวางเกียดกันหาความสวยท้ารามกได้มันก็ถูกมันไม่มีอะไรผิดพอเรามุ่งผลคือจุดของเราสงบระงับดับความชว่วเสียต่างๆนี่คือผลเหมือนกันกับคนกิธานอาหารผลก็คือความอื่ม ถ้ามันอิมได้มันฉุกมันสบายมันถูกจะอาหารประเภทไหนก็ตา ม, ามอาหารนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นอันตรายต่อกายของตัวหนูการภาวานารักษาจิตใจก็ทํานองเดียวกันจึงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านสอนอย่างนั้นนั้นผิดสอนอย่างนี้มันจึงถูกขาเขาเหล่านั้น เคยปฏิบัติมาได้รับคุณค่าสาระจากทำบุตรนั้นจากเรื่องอันนั้นมันในจิตเพราะจิตของเขาสงบจิตของเขาเระงับนี่คือผลของการประพฤติปฏิบัติเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเพราใจของพวกเราท่านถ้าหากประพฤติปฏิบัติตามอาจทำแล้ว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 ทำใจของเราสงบได้มันสุขมันสบายจะไประงับดับโลกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วุ่นวี่วุ่นวายจะไปทำให้มันสะดวกสบายสงบราบคาบเสมอกันหมดไม่ได้ผิดวิสยัยเพราะโลกมันเป็นมาอย่างไรให้ทราบ ตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นถ้าหากเราจะไปมุ่งว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อยากแย่งเขาดีเสมอกันนั่นเราเองกว่าเดือดร้อนเราเองก็วุ่นวายไม่ใช่นาที่จิตของเราที่จะไปคิดไปตรงอย่างนั้นเราจะต้องสอนใจท้องตัวเองว่าการคิด ไปอย่างนั้นมันได้รับผลรับประโยชน์อะไรัางๆ ท, ที่เราไม่มีกำลังเหลยวแรงอะไรที่จะไปช่วยเหลือให้เขาได้ตตไรับความสุขความสบายได้แต่เราก็เมตตาสงสารอยากจะไปช่วยให้เขาได้รับความสุขความสบายเหมือน ก, นกันกับคนตกน้ำชวนจะตายอยู่แล้วยังจะไปช่วยคนอื่นมันช่วยไม่ได้ถ้าพุทธเจ้าท่านสอนแบบนั้น ท่านสอนให้ช่วยตัวเองก่อนตัวเองได้รับความสุขความสบายตัวเองมีกำลังเพียงพอบริบูรณ์เมื่อเห็นคนอื่นสัดอื inside, ่นตกทุกข์ใดยากลำบากลำคาญสงสัยม่อาจในทมอะไรที่จะพอช่วยแก้ไขเขาได้ท่านก็ให้เนตตาสงสามช่วยเขาท่าเช่นว่า เราไม่มีความสามารถกาลังเพียงพอที่จะช่วยเขาได้พอปล่อยเข้าไปแต่ความสำคัญในรักษาใจของตัวเองใจของตัวเองอย่าให้ชั่วให้เสียไปตามเรื่องของคนอื่นให้รักษาใจของตัวเองเมื่อใจคลองตัวได้รับความสุขได้รับอ่านรับทำจากการประเพื่อปฏิบัติ จะเป็นการที่นิพพิจารณาหรือการบริกรรมก็ดีให้หมันที่นิพพิจารณาให้หมันบริกรรมให้จิตเรานั้นได้รับความสงบรับความสงับเกิดปัญญ า, าสามารถเข้าใจในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงขอ้นมนเพราะสิงต่างๆนั้นถ้าใจไม่เห็นตามเป็นจริงจะเกิดปัญหา อยู่เลื่อยไปถ่าใจของเราเห็นตามเป็นจริงแล้วทันเรียกว่าปัญญาสามารถที่จะรักษาใจของตัวไม่ให้เอยนเอียงไปตามเรื่องต่างๆได้อย่างพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกสาวกอยู่ในโลกทั้งคื่โลกเคยเป็นมาอยู่อย่างนั้นตั้งแต่สมัย พระพุทธองค์ยังไม่อุบัติขึ้นหรือพระองค์ตอินิพานไปแล้วโลกนั้นมันเหมือนกันปัจจุบันอย่างไรโลกอดีตโลกนนะคาคตเหมือนกันหมดนี่คือการกำหนดที่จะรียนาทางปัญญาเข้าใจถนัดชัดเจนในตัวข้องตัวไม่มีอะไรที่จะ ส, ส้สงยส ถ้าโลกมันจะเป็นไปอย่างไรมันจะเป็นไปอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นตามหน้าที่ของมันไม่มีอะไรที่จะใหม่ในโลกนี้หากที่เจรณญนาถึงคำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นจริงอย่างนั้นเกิดมันก็เคยมีเจ็เจ็บตายมันก็เคยมีกลางวันกลางคืนเดือนปีมันเคยมี ไม่มีอะไรที่จะใหม่มันเหมือน ก, นกันกับที่ผ่านมาเป็นแขนแสนละล้ลานปีไม่มีอะไรที่จะจุดแตกแตกต่างกันแต่ที่ถือว่าใหม่พอเราไปเห็นใหม่โดยสมมติว่าใหม่ความจริงแล้วมันเจนมาอย่างนั้นไมนมีอะไรใหม่อะไรเก่าความหลงของเราหลงสมมติเพราะจิตในรู้ จิตไม่ในใจตามเป็นจริงมันจริงหลงวกวนวุ่นวายอยู่เรือเ่อยไปถอใจว่าอันนั้นใหม่อันนี้เก่าแต่ความจริงมันไม่มีอะไรใหม่อะไรเก่านี่คือจิตของเรารู้เท่าเข้าถึงเรื่องของอัตชัมจริงจังมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยในนีอะไรที่จะจุดข้องนีม่มีอะไรที่จะยากมันหมด ือถึงความบริสุทธิ์ของจิตจาการจะถึงจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นก็ อ, อาศัยพวกเราท่านก็เพื่อปัจจุบัติเบื้งองต้นก็กำหนดบริกรรมหรือพิจารณาไปใ้ใจที่เคยแส่ า, สายไปตามสัญญารมต่างๆส ง, งบระงับตัวลงไปพอเราส ง, งบระงับลงไปได้รวมลงถึงที่ เราจะเห็นความสุขความสบายภายในคือใจจี่จิตข้องในอารมณ์เั่นยาวต่างๆทางหูทางตาทางจมูกลิ้นกายตลอดถึงใจเองที่เคยจุดขอ่องว่าดูอันนั้นชมอันนี้จิตอันนั้นปรุงอันนี้มันมีความสุขนั่นมันมี โดยทยี่เราไม่ได้ถืกเพื่ปฏิบัติธรรมมันมีมันเพลินกันหลงกันทั่วโลกแต่เรามาประพฤติปฏิบัติกําหนดจิตให้สงบขันอัดลงรวมได้เราจะทราบแว่าความสุกความสบายของจิตนั้นมันพอตัวแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาเพิ่มเติมอีกเพราะความฉุกความสงบส่วนนี้ มันสุกมันสงบให้เรารู้เราเห็นเป็นสันที่ผิดโปอยู่แล้วมันปล่อยมันวางสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เคยของจิตจิตปุงรวมตัวเข้าเป็นหนึ่งสู่จุดเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนอกเนี่ยแต่กายของตัวเอง้าจิตรวมลงเป็นหนึ่งจริงจัง มันไม่มได้มาเกี่ยวข้องเราจะอยู่อิเลียบทได้สายใจลงรวมอย่างนั้นมันไม่ได้ขาดฝันถึงการเวลาวานานขนาดไหนเพียนั้นจิตของท่านจิตสบงบลงรวมจริงจังจึงเห็ น, อ น, น 18, หอนิสงสงจิตแตกแตกต่างเรื่องของโลกว่าเป็นความสุขจีตไปเสดวิเศษเป็นความสุขที่หาดูไม่ได้ นอกจากการประพฤติปฏิบัติภายในของนั้นคนที่รู้เห็นชัดเจนอย่างนั้นท่านก็พอใจที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปเพราะความสุขของใจที่แท้จริงมันไม่ได้อิงอาศัยอนิจไม่ได้จุดข้องกับวัตถุปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างๆหมดไปแล้ว มันในความสุขนี่คือผู้บวชปฏิบัติจะต้องเห็นชัดเจนในตัวเองถ้าหากไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นก็เกิดลังเลสงสัยนั่งไปก่อเหน็ดก่อเหนื่อยก่อเมื่อยกอนหิวทําอะไรไปก่อนสองสัยว่าทําไมมันไม่รับความสุขกวเพราะมันยังไม่เห็นไม่เต็นมันตกสองสัย หากมันเห็นมันเป็นแล้วความต้องใสมันหายไปตกไปผู้สีนีใจสงบรวมรวมเป็นหนึ่งอย่างนั้นถ้าหากอยู่นานๆทั น, น, นกว่าเขานิโรธสมาบัติถ้าหากไม่นานถึงขั้นนั้นท่านบอกถือว่าเป็นสมาธิเป็นสมาบัติธรรมดาแต่อาจารย์ที่มันเป็นมันเห็นมันรู้เหมือนกัน ความรวมลงเป็นหนึ่งแต่จะนานหรือเร็วกว่ากันนั้นมันผิดกันบางท่านบางคนก็อถอนขึ้นง่ายบางท่านบางคนก็อยู่คนทานใจมาเกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกรวมเป็นหนึ่งอยู่เสมอไปนี่คือใจเป็นสมาธิใจเป็นสมาบาัตควรจะ เชื่อจะเลือมใสในการตฏิบัติปฏิบัติอัตธรรมของพระพุทธเจ้าต้องเห็นต้องเป็นภายในถ้าไม่เห็นไม่เป็นไม่ยอมเชื่อถึงจะพูดได้เรียนมามากขนาดไหนใจที่เป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นภายในไม่ได้อาศัยตำหรับกําลาไม่ได้อาศัย <c oughs> จากการศึกษาภายนอก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 พูดไม่ได้เขาฝันอะไรเขาบอกทราบเรื่องของเขาฝันเขาทานอะไรมีรสชาติอย่างไรเขาก็ทราบแต่เขาพูดไม่ได้การพูดได้หรือพูดไม่ได้จึงไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใจของเราเห็นใจของเราเป็นแล้วจะต้องเชื่ออยากกระเพิดปฏิบัติ <c oughs> อยากจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆไป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 สงสัยว่าเราไม่มีอำนาจวาสนาต่างๆนั้นนะมันจะเกิดขึ้นในจิตในใจถ้ามันเห็นมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดความเชื่อความเหลื่อมใสแล้วปัญญาก็จะสามารถเกิดขึ้นเมือ่อทำไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีทางสงสัยอะไร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 ถึงตามถึงเวลามันจะเป็นไปนั่นมันเป็นผลของมันขอให้ตั้งมั่นในความภาคความเพียรพยายามทําอย่างสี่ตัวนเคยทําไปใจมันจะเป็นจะเห็นจะรู้ไม่วันใดกว่าวันหนึ่งนี่คือปัญญาที่จะแนะสอนใจท้องตัวให้ตั้งหน้าตั้งตาต่อเพื่อปฏิบัติความเชื่อมั่นนั้น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 ที่ ป, ทปฏิบัติท่านจึงไม่ถอยหลังในการต ป, รปฏิบัติตั้งหน้าจั้งตภ า, าวนาละกิเลสมีเรื่องของการต ป, ปฏิบัติอาจทำผู้รู้เห็นเป็นจริงแล้วเชื่อมั่นไม่มีอะไรที่จะดีริเศษประเสริฐไปกว่าการต ป, ปฏิบัติใจคนเราโดยส่วนใหญ่หมุ่งเรื่องนอก ด่านวัตถุว่ามีอันนั้นจะมีความสุขมีอันนั้นจะสะดวกสบายนี่คือคนยังไม่ประพฤติปฏิบัติทางจิตใจมัดไขคิดติดข่องในด่านนั้นแต่ก็ผิดหวังเรื่อยมาไม่ว่กใครทั้งหมดว่าได้อันนั้นจะมีความสุขได้ไนใหม่ใจชอบมันก็สุ พอนานไปใจเบื่อมันก็ทุกข์มันเป็นอย่างนั้นจึงผิดหวังเรื่อยไปเรื่องของโลกมันมีการเบื่อการหน่ายการอิ่มการพอแต่เรื่องของธรรมนั้นไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งรู้ยิ่งเห็นเท่าไรยิ่งเกณฑเท่าไรก็ยิ่งมีความเชื่อความเลื่อมใสโดดเด่นเลื่อยไปสุข สบายในนี้เบื่อนี่คือการประพฤติปฏิบัติด้านอาธิธรรมมันมีความสาคัญมีความจําเป็นสําหรับผู้ที่เคยรู้เคยเห็นจึงไม่นอนใจตายใจไม่ประมาทถ้าคนไหนเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นอะไรแล้วมันก็หมายถือว่าเป็นเรื่องสาคัญคนเราธรรมดาไม่เคยฝึกรักษาใจใจ ต่อยมันไปตามอำเภอของมันนั้นมันก็มีความสุขอยู่เหมือนกันแต่สุขนิดๆนหน่อยๆสุกนั้นอาศัยขี่ใจไปของจิตใจไปยินดีใจไปเผิดเชิญในสิ่งเหล่านั้นมันก็สุกไปแต่จะอาศัยให้มีความสุขอย่างเย็นจริงจังนั้นมันเป็นไปไหนได้ เมื่อกายมันมีบัดเกิดความป่วยไข้เกิดความไม่สบายขึ้นวัตถุอื่นๆที่เราหามาถือว่าเป็นความสุกนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ถึ่งที่อาศัยที่จะเกาะได้มันไม่หความสุขความสบายเอาเลยไม่เหมือนอาจเหมือนธรรมที่เราบวชปฏิบัติทางใจ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 ทางกายเพราะถ้าในที่นี้พนะิจารณาตามความเป็นจริงของมันแล้วอันนีจังวามแปรปวนเปลี่ยนแปลงของเรื่องต่างๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีวิญญาณหรือหาวิญญาณนี้ได้มันเหมือนกันหมดความเกิดความแก่ความเจ็บความต า, ายไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าผู้ประพฤติธรรมหรือหาการประพฤติธรรมนี้ได้ มันเป็นเหมือนการบวชการประพฤติทำรู้ทำเข้าใจทำไม่ใช่ว่าจะห้ามกันความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเรายังมีการเกิดอยู่เมื่อไรความแก่ความเจ็บความตายมันก็มีอยู่เมื่อนั้นเมื่อใจเขาถึงอาจทำจริงจังรู้แจ้งแจ้งตลอดในเรื่องเหล่านั้นายมันแก่ควรเปลี่ยนแปลงไป ก็เข้าใจเรื่องของกายว่านาที่ของมันมันเป็นอย่างนั้นใจของเราหวั่นไหว เ, เอียงไปตามเรื่องของกายหรือไม่กายมันแตกสลายไปใจมันแตกสลายไหมมันยังวุ่นวายถัดคล้องกับอะไรเราได้พิจารณาเรื่องของใจถั่วถึงแล้วมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะเสื่อมโทรมจะเสียหาย จะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไปเพราะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานะั้นเป็นทางเดินเป็นทางปฏิบัติเข้าใจแจ้งชัดในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเข้าใจแจ้งชัดริงที่เป็นนิจจังอาจทุกขังอนัตตาคืออะไรเข้าใจอีกผู้มาเห็น สิ่งที่แปรปวนเปลี่ยนแปลงต่างๆมันไม่มีทางสงสัยจิตของฉันจริงไม่แบบหวั่นไหวจิตของฉันจริงสุขจริงสบายไม่ต้องไปพึ่งพาอาอะไรอื่นถึงกายจะแตกสลายไปใจที่บอริสุทธิ์มันไม่แตกสลายไปด้วยใจในเคยป่วยไข้ ไม่เคยหวั่นไหวกับสัญญาอารมณ์ถ้ารู้จริงเห็นแจ้งถึงขั้นไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะเกิดทำอยางไม่มีอะไรที่จะก่อควนมตัวเองนี่คืออา น, นิสงส์ของการปฏิบัติข่าใจชัดในตัวผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างนั้น ยังมีความสุขความสบายทั้งตายทั้งอยู่ไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะขัดข้องอยู่ไปก็ถือบาดีจะได้มีชีวิตอยู่เรื่อยๆไปคนที่มุ่งหวังตั้งใจอยาก ต่อการบุญต่อการสืบสวนเขาคอยจะได้มามกราบไหว้คาระบูชาพราะเราเองหมดบริสุทธ์ไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปไม่มีอะไรที่จะบําเพ็ญอีกไม่มีอะไรที่จะละอีกเข้าใจตายไปกอดีไม่มีอะไ ร, ะะไไะไระเไไรไกรเรื่องถ้าขันมันจะไปตอกวนใจให้เกิดทุกข์ ทุกของถาดของขันมันไม่มีไมไ่รับผิดชอบเรื่องของมันถ้าจริงอยู่ก็ดีลายก็ดีไม่มีปัญหาในเหมือนพวกเราท ร, รมาดาเมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือจะตายไปเสียใจอันนั้นยังไม่เด็ทําอันนั้นยังไม่เด็เสร็จคิดอยากจะมีชีวิต เป็นอยู่อยากจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้ถึงที่นี่เป็นธรรมดาของผู้ยังไหม่จบเรื่องการปฏิบัติพูดที่จบเรื่องท่องตัวแล้วจะหนุ่มสาวเด็กเล็กอยู่กว่าดตายมันเหมือนกันหมดไม่มีความต่างชนะว่าเราจะหนุ่มอยู่เมือควรจะเป็นอย่างนี้ยังสาวอยู่เมือควรจะตายไม่เด้คิด เพราะชีวิตที่ประพฤติปฏิบัตินั้นมันถึงขั้นถึงที่สุดถึงรีมุดในใจไม่มีอะไรที่จะสงสัยใน ม, มีอะไรที่ส่องการอยู่ไปนานขนาดไหนอะไรที่จะเกิดดีวิเศษอีกมันก็ไม่เห็นว่ามันมีในจิตในใจบาตสองการอะไรอีกที่สุดของการประพฤติปฏิบัติเมื่อประพฤติปฏิบัติไปถึง จะทราบเองว่าไม่อยู่ในวงของสมมติไม่อยู่ในถนนหองทางมักทั้งแตกมันพ้นไปหลุดไปเข้าใจด้วยตัวเองไม่มีอะไรที่จะปรารถนาอีกความสงบระงับละเอียดอ่อนของจิตของใจ เคยประสบพบมาในการผู้พิชปฏิบัติสงบสงับสนาบไหนมันก็ถอนออกมาได้เมื่อมันถอนออกมามันก็รับรู้เรื่องต่างๆนานาเรื่องเหล่านี้เข้าใจดีในผู้ผู้พิชปฏิบัติเมื่อมันถึงที่สุดมันจริงไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าอันนี้มันจะเป็นอะไรไปอีก เพาในตัวขวกมันบ่งบอกอยู่แล้วนั่นคือความบริสุทธิ์ไมนมีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องไม่มีอะไรที่จะไปเชือกแฝงในนี้ะะสะพานสมมุติอะไรที่จะเข้าไปถึงท่านจริงหายชีวะสมมุติเรีมุดเจอคนจากสมมุติต้องเข้าใจต้องเห็นจริงในตัวจึงจะหายสงสัยถ้าไม่ เห็นจริงในตัวจะพูดขนาดไหนใครก็ไม่เชื่อเพราะวิสัยของสัตวทั่วไปไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อถ้าหากพบเห็นสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ก่อพบก่อชาติอีกมันไม่เคยพบเห็นมันจะมีพบมีชาติมาเมื่อมันไม่เคยพบเห็นจะที่ปลาย ให้ฟังขนาดไหนใจที่ไม่เคยพบเห็นไม่เคยเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ทราบเหมือนกันกับตาบอดมาแต่กํเาเนิดจะอธิบายสีแสงขนาดไหนมันไม่ทราบเพราะมันไม่เคยเห็นแตามั น, านเห็นแล้วบอกนี่ขาวเขียวดําแดงเท่านั้นมันทราบพาตามันเห็นนี่จิตใจของพวกเราเี่ยวกับเพื่อปฏิบัติขอทํานองเดียวกัน เมื่อไปเห็นไปเป็นอย่างนั้นมันจึงไม ม, มีทางสงสัยว่าวีมุตที่พระพุทธเ จ, จ้ารู้เห็นเป็นอย่างไรมันไม่ ม, มีทางสงสัยพอเราเห็นเราเป็นในตัวของเราถ้าเราไม่เห็นไม่เป็นก็เกิดสงสัยเรื่อยไปจงตั้งหน้าตัางา้งตาภาวนารักษาจิตของตัวทุกคนมีสิทธิจะบปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าถ้ากรรมฐานอยู่ป่าอยู่ดงเท่านั้น ที่จ ะ, ะเผชิญปฏิบัติใจของท่านเราไม่มีใจหรือเราหมดกิเลสเราหรือจึงจะไม่ไปฏิบัติตัวของเราถ้าเราเป็นโรคเราไม่รักษามันก็ไม่มีทางหายเราจะต้องรักษาโรคบางอย่างโรคหวัดโรคไอป่อยมันไว้านานๆถึงวันถึงเวลามันหายไปผมมีโรคบางอย่างไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างจะรักษาหรือไม่รักษามันก็ไม่หาย โรคกิเลสทางใจเป็นโรคที่จะรักษาได้ให้หายขาดแต่ปล่อยเอาไว้ใจใมันหายไปเองไม่มีทางดังนั้นธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นยาสำหรับรักษาโรคกิเลสกันหายหายขาดจ้าจงจางหน้าจางตาภาวนาทำความเพียรกำหนดจิตกำหนดใจไล่กิเลสให้ออกไปจะห้จิตใจไปคล่องคิด ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแล้วก็ควรนำทุกมาให้หมันพีจาจนามันแก้ไขกำหนดจิตกำหนดใจของตนโอกาสเวลาที่จะปฏิบัติภาวนาก็มีโอกาสเวล า, <c oughs> ท, ว า, า, ลาที่เรามีชีวิตเป็นอยู่เท่านั้นไม่ใช่ว่าตายแล้วยึงจะดีจะวิเศษ ชาติหยุดไม่ดีไม่ดีเศษยังมีกิเลส อ, อยู่ตายแล้วก็ยังมีกิเลสติดต่อไปโรคของใจจึงเป็นโรคที่น่ากลัวยิ่งกว่าโรคของกายโรคของกายเรารักษาไม่ได้กินยาไม่หายตายไปเหาไฟฝังดินมันหายมันไม่มีอะไรถือจะติดให้ไปสู่พบสู่ชาติต่างๆได้ มันหายมันขาดเรื่องโรคของกายส่วนโรคของใจไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเรารักษาไม่หายตายไปมัน็นติดข้องเรื่อยไปกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจจะก่อพบก่อชาติต่างๆใจที่เคยเดือดร้อนวุ่นวายไปเกิดในพบใดชาติใดกิเลส ที่เคยมีอยู่ในใจหนั้นจ ะ, ะแสดงออกวันใดวันหนึ่งที่เราเกิดกอพกอ่อชาติอีกแต่นั้นจึงน้าลัวโรคของจิตนาัวกโรคของกายใครประพฤติปฏิบัติตั้งนาตั้งชารักษาโรคของจิตให้หายไปได้คนนั้นสุขคนนั้นสบาย ถึงโรคของกายจะทับถมโจมจีขนาดไหนใจของท่านไม่วานไหนใจของท่านสุขใจของท่านสงกใจของท่านสบายนี่คือความสุขความสบายภายในปุตรีสั่งใจประพฤติปฏิบัติอาจทำซึ่งไม่ควรมองข้ามใจสุขเพียงอย่างเดียวจะอยู่สถานที่ใดจะไปะสถานที่ใดไม่ว่าจะนัง่งจะนอนจะยืนจะเดิน มันสุขมันสบายไม่มีอะไรวุ่นวายก่อป่วนตัวเองใจทุกอย่างเดียวจะมีอยู่มีกินมีหลับมีนอนขนาดไหนมันก็ไม่สุขไม่สบายให้ใจแก่ทุก ข, ข์ปลอบพอใจหลงใ จ, จ, ใ จ, ใจกิเลสใจแก่สุขปลอบพอใจประพฤติปฏิบัติตามอัธธรรมของผู้ใจจ้างแต่นั้นเราทุกท่านมีสิทที่จะประพฤตปฏิบัติ ตัวของตัวให้ได้รับความสุขความเจริญอย่างนั้นแต่นั้นเมื่อเรายังมีชีวิตเป็นอยู่ยังไม่ถึงความล่มหายตายไปอย่าไปสิ่งความดีไปข้างหน้าเพราะธรรมะในใจลูกบอลที่จะเตะเล่นต้องนำมาที่นิต่เจนาศึกษาปฏิบัติกายวาจายใจข้องตัว สิ่งที่ชั่วที่เสียรีดชำระสาสางออกไปริงได้ที่จะนำความสุขความจเจริญมาให้รีบกอบโกยรีบเล่งกระทำมำเพนผลที่สุดการระพฤติปฏิบัติความดีความดีจะส่งผลให้จนจิตใจของตัวเกิดดีมุดหลุดออกไปจาก สมมุติจากโลกจากสงสารเมื่อถึงที่สุดริมุดยิดทานอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะก่อควรใจข้องตัวให้ดีให้ชั่วให้จะใ ห, หายไปอีกมันหมดถึงมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีอะไรที่จะให้ฟุกแกเจใจ ตายไปก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายนี่คือถึงความบริสุทธิ์ของใจเป็นอย่างนั้นทุกข่ทนไปแต่นั้นพวกเราจงพากันต่างใจต่อเพื่อปฏิบัติรักษาก า, ายวาจาของตัวจิตไปททำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้กว่าจะหมดเลื่องสงสัย ความสุขอะไรในโลกที่จะเปเสด็จเลื่อนลอยขนาดความสุขของความสงบของธรรมไม่ได้พระพุทธเจ้า จ, าจึงจัดเอาไว้ว่านัตถิสันติปลังสุขขังสุขอื่นจากความสงบไม่มีไม่มีความสุขอะไรที่จะไปเสร็จดิเศษเท่ากับความสงบจีเลดกันหาดะนั้นขอทุกท่านจง หมั่นที่นี้ที่เจรนาศึกษาลงมือประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญกวจะเกิดขึน้นแก่ตนทองตนการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเกี่ยเวลาเพราะจิเปี่ยนแค่นี้ร